พระธรรมเทศนาแผ่นที่95้าาลำดับที่สโดยหลวงพ่ออินทวัยสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่15สิงหาคม2559มีชื่อเรื่องว่าอสุภะสังหารกามกิเลสวันนี้เป็นวันที่ส5ห้า สิงหาคมพุทธศักราช2559วันนี้หลวงพ่อเองเห็นว่าอากาศเย็นสบายเพราะฝนตกมาทั้งคืนเมื่อคืนที่แล้วแล้วก็วันนี้ตกเกือบทั้งวันพึ่งมาหยุดตอนบ่ายสีห้าโมงนี่เองอากาศรู้สึกว่าเย็นสบาย แล้วก็พร้อมการหลวงพ่อก็ว่างบัานี้แขกคนก็เห็นว่าฝนตกไม่มาวัดเป็นโอกาสดีอากาศก็เย็นก็ได้พักผ่อนพวกเราทุกองค์ก็พร้อมอยู่แล้วนะ ในผมจึงได้นัดประชมุมเพื่อแนะนำแนะนวสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายแต่ตอนเช้าก็อย่างที่พวกเราได้ยินได้ฟังมีมากหลากหลายในแนวความคิดแต่ทั้งไงก็ตามถึงจะมากหลากหลายผมก็พยายามจะ ยัดเยียดแนวความรู้หรือว่าประสบการณ์หรือสิ่งที่ผมได้ผ่านมาแล้วมาบอกกล่าวให้กับพระลูกหลานน้องนุง่งได้ฟังได้ศึกษาแต่บางครั้งก็ได้ยินอีกเหมือนกันนะที่ไปบ้านตาดเมื่อกี้นี่ก็มีคนทวงติงมาว่า หลวงพ่ออินพู ด, พดมากไปแต่เขาทำไมเขาอยู่เมืองอุดอรเขาทำไมได้ยินเราพูดกันอยู่ที่นี่แสดงว่าสอดรู้สอดเห็นแต่ตัวเองไม่อยากจะฟังก็จะไปเปิดทำไมโซเชียลตามปกติอยู่ในวัดเราก็เหมือนอยู่โรงเรียนพวกเราท่านทั้งหลายเขามาบวชอยู่ที่วัดของผม ผมก็ถือว่าเป็นนักเรียนของผมถ้าใครอยากจะเป็นครูจะมาอยู่ทําไมเมื่อเป็นนักเรียนผมก็จะต้องสอนสิ่งไหนที่จะประสิทธิ์ประสัดความรู้ความฉลาดให้กับลูกของผมนักเรียนของผมลูกของผมผมก็จะพยายามยัดเยียดสิ่งนั้นให้ให้เข้าใจในเรื่องที่ควรจะรับรู้รับทราบ ในเมื่อสอนไปแล้วออกบอกไปแล้วถ้าเราเอาออกไปเป็นสื่อก็ไม่เห็นผิดที่ตรงไหนอีกแต่ถ้ามันผิดตรงไหนก็บอกมาก็มีประโยชน์ได้ยินข่าวออกไปถึงต่างประเทศอย่างโนอโร์เวย์เดนมาร์กเยอรมันที่เขามาเยี่ยมเยียนเขาก็บอกเขาได้ยินเสียงที่ หลวงพ่อพูดออกไปอยู่ในโซเชียลอยู่ในเฟสยูทูบเขาก็ว่ามีประโยชน์สำหรับเขามากเพราะเขาอยู่ห่างไกลต่างถิ่นต่างแดนก็ได้เห็นรูปภาพพระออกบินทาบาทตอนเช้าแล้วก็เห็นได้ยินเสียงหลวงพ่อพูดแนะนำบอกกล่าวเป็นประโยชน์สำหรับพวกเขา อันนี้คือผู้เขาที่นสนใจไฝ่ในการศึกษาแต่หาว่าผู้ที่มีความอิดช้าตาเหลือกอยู่ในจิตในใจพอได้ยินเสียงหลวงพ่ออินพูดก็เหมือนไม้แหลมๆจิ้มเข้าหูมันก็ช่วยไม่ได้ก็เพราะเหตุไรเพราะถ้าหาว่าไม่ง่เกินไปก็จะไปฟังทำไมจะไปเปิดทำไมจะไปฟังทำไม คนที่เขาฟังมีอยู่ตัวเองไม่อยากจะฟังจะไปฟังทำไมฟังให้งโง่ทำไมแล้วจะมาต่อต้านทำไมมาพูดทำไมหลวงพ่อว่าโง่มากคนอย่างนั้นช่วยไม่ได้อีกต่างหากแต่ถึงยังไงพวกเราท่านทั้งหลายที่ก็ามาอยู่ใกล้ผมผมไม่ใช่ว่าผมจะพูดทั้งวี่ทั้งวันไม่ใช่ ถ้าว่าผมไม่พูดตอนเช้า20วินาทีเวลาพูดก็รู้อยู่แล้ว20กวินาที30นาทีอว่าตอนเช้าก็เป็นตอนที่เวลาที่พร้อมที่สุดศรัทธาญาติโยมที่อุปถรัรมภะถาเข้ามาวัดก็ถ้าไม่พูดตอนเช้าอย่างนั้นก็ไม่รู้จะพูดตอนไหนจะอบรมแนะนำสั่งสอนทำความเข้าใจบริหารจัดการภายในวัดของเรา พวกท่านทั้งหลายคิดดูซิว่าจะใช้เวลาไหนจะบอกกล่าวแล้วก็พร้อมพระสงฆ์ที่มาฉันตอนเช้าก็มาพร้อมกันและมีอะไรก็จะได้พูดต่อหน้ากันทั้งฝ่ายญาติโยมทั้งฝ่ายพระพูดเพียงยี่สิบวินาทีวันหนึ่งพอจบแล้วผมก็ไม่ได้พูดอะไรพิ่มเพื่อ จากนั้นกระต่างองค์ต่างแยกย้ายกันไปประพฤติธปฏิบัติธรรมมีเวลาต่างเยอะแยะตอนบ่ายก็เป็นคนอีกหลายกลุ่มเข้ามาจากต่างถิ่นต่างแดนเผื่อมากพบมาเห็นมาเจออันนั้นผมก็ได้พูดพอแขกคนมาหาก็ต้องได้พูดได้กล่าวแต่กับผมก็ไม่ใช่ว่าจะลงพดททั้งวี่ทั้งวันนัดกันบ่ายสอง ตั้งแต่ชั้นจังหันเสร็จแล้วก็บ่ายสองถ้าไม่ถึงบ่ายสองถ้าไม่ใช่แขกพิเศษจำเป็นผมก็ไม่ลงมาอย่างพวกเราพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นแต่พูดทางนี้ทงนั้นให้ฟังทางนี้ที่พูดอยู่ขนานี้ก็พวกพูดให้เพื่อคนที่อยู่ข้างนอกใครเขาว่าหลวงพ่ออินคนคง จ, จะพูดทั้งวีทั้งวันนั่นแหละความอิดชาหรือความโง่ ของคนเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่ตามไม่จริงถูกพ่อไม่ใช่นักพูดถ้าจําเป็นก็พูดพอตกตอนเย็นนะเอาต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันหาภาวนาของใครของเราสามสี่โมงแล้วก็นั่นวันหมดคนถ้าไม่มีใครมาแล้วก็เลิกไม่มีอะไรแต่คนยังมีคนอยู่เราจะไปห น, นีจากคนก็ยังไง อย่างเราเป็นพระสาธารณะอย่างที่ว่าลุกต่อหน้าต่อตา แ, แสดงอากัปกิริยาไม่พอใจผู้ที่มาพบมาเจอมาเห็นก็ไม่สบายใจสาหรับศรัทธาญาติโยมมาจากทางทางไกลทีนฐานอันนี้เราก็ต้องต้อนรับขับสู้แต่สำหรับพระในวัดของเราเราก็ไม่ได้ให้ไม้ยุ่งมาเกี่ยวต่าง องค์ทางอยู่เป็นอิสระตั้งอกตั้งใจภาวนาของใครของเราก็มีแต่แนะนําสั่งสอนตอนเช้าเท่านั้นเองอันนี้คือถ้าจะว่าไปก็คือผู้ที่เข้ามาศึกษาก็จะต้องตดเรียนรู้เหมือนกับนักเรียนเข้าไปโรงเรียนเขาสอนในโรงเรียนถึงมากมายกว่าหลวงพ่อสอนทําไมไม่ไปบอกเขาไอ้ hey, ครูโรงเรียนเนี่ยไปสอนมากสิอย่าไปพูดมากอ สอนเท่าไหร่นักเรียนยิ่งโง่เห่าอย่างนั้นเหรอไอคนที่ไปพูดน่ะั่นลมันโง่มากคือเขามีหน้าที่สอนก็คือสอนวิชาของเขาผู้ที่นักเรียนเขา็อยกจะให้สอนสอนเขาเป็นนักเรียนนี้ก็เหมือนกันพวกเขามาศึกษาใยในการศึกษาไม่ว่าท่านว่าเราผมเองในเมื่อเข้าไปศึกษาก็องค์หลวงตาหลวงตาต้งก็ทําอย่างที่ผมทำนี่แหละเดี๋ยวนี้ละ่ะ ท่านก็มาได้สอน ล, ำล่ำรี่ล่ำลายแต่ท่านประชุมบ่อยกว่าที่ผมเป็นอยู่นี่เองบางทีสวันบ้าง7วันบ้างแต่ท่านพูดแต่ละครั้งในะยาวนานกว่าผมพูดเดียวนี่นะผมพูดบางทีก็ เ, เพียงชั่วโมงเดียวแต่องค์หลวงตาพูดบางทีทั้งสองสามชั่วโมงอบรมพระกลางคืนแล้วก็ตอนเช้าก็มีบ้างไม่มาก ตอนต่อมาเนีท่านกออบรมทางญาติโยมแต่ตอนเช้าทําไมท่านจึงไม่ได้พูดมากพระโอลงตาเนี่ยพอต่อมาเขาไปตรวจดูสุขภาพของท่านเพราะว่าเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอเลือดเลี้ยงไปเลี้ยงหัวใจเตบเขาจึงให้ยาขา ย, ายายเส้นเลือดมาช่วงหลักๆ อ, อาการของลงตา เลยดีขึ้นโดยลำดับในช่วงหลังๆแต่ก่อนพูดไม่ได้ตอนเช้าเนี่ยท่านเหนื่อยมากพอพูดเข้าไปเนี่ยหน้าซีดเราเคยเห็นไม่รู้กี่ครั้งที่ผมอยู่กับท่านสรุปแล้วก็คือเขาก็ว่าเป็นโรคหัวใจแต่พอมาตรวจที่หลังไปตรวจที่ศิริราชเขาก็ตรวจว่าเส้นหัวใจของหลวงตาตีบ เขาเลยให้ยาให้ยายให้ยาขายายเส้นเลือดจบนั้นจากนั้นองค์ตาก็เลยดีวันดีคืนจึงได้นี่นะแเตะชนาว่าการโปรดญาติโยมในโครงสุดท้ายคือการสแวงหาห า, หาทองคำเข้าคลังหลวงเนี่ยนะ่ะลุงตาดีขึ้นมากนะช่วงนี้นะอาจจะเป็นพลังนีจะเป็นบุญของประเทศชาติที่ทำให้ลุงตาสุขภาพดีแล้วก็ประกาศ คุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมให้กับพี่น้องประชาชนคนในประเทศอันนี้ก็ข้าน้าเคารพกราบไหว้องค์หลวงตานี่อันนี้ผมเองก็ไม่ได้เปรียบเทียบกับองหลวงตาหรอกแต่เ้าจะย า, ยามเดินตามสายแนวแถวนั้นแต่ก็ไม่ให้มันเกินไปหรือพวกเทาเ่าเราท่านอย่างไรที่อยู่กับผมเนี่ยมากเกินไปหรือไม่ผมก็อยากจะถามอย่างนั้นอีกเหมือนกันแต่ตามพี่จริง ที่ก่อนหน้านี้ตอนเช้าพงศพูดเพียงส0 1สบห้านาทีสิบนาทีบางทีไม่ถึงจุดใซ้ำไปผู้กูก็คิดว่าหมูพกเพื่อนจะลำคาญนะหิวอาหารแต่ก็มีพระหมูพวกเพื่อนเหมือนกันนะโอ้หลงพ่อพูดน้อยเกินไปพ่อพูดกระทัดรัดเกินไปขาดข้อความถ้าเป็นไปได้ขอสักส5บห้านาทีเป็นอย่างน้อยเราก็เออเอา จากนั้นก็เลยทุกวันนีก็เลยประมาณยี่สิบหันาทีก็พอคิดว่าจะพอเหมาะในการกาละเทสะก็ไม่ถึงกับมากก็ไม่ถึงกับน้อยตามในความรู้สึกของผมแต่ขนาดนั้นก็ยังมีคนติต่งเข้ามาแต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกเพียงแต่ว่าเล่าเล่ า, ลาบอกกล่าวให้กับ พวกเราที่เออเข้ามาศึกษาที่ฟังต่อหน้าผมในขณะนี้แหละผมกเ็เล่าให้ฟังนี่แหละโลกมันเป็นอย่างนี้ เ, เราอยู่ในโลกถ้าจะว่าไปก็ น, น้าเปือเอมือนกันนะไม่น่าจะมาเกิดในโลกนี่มันหลายแนวเหลือเกินแต่ถึงยังไงก็ตามนะพวกเราเพระลูกพระหลานทุกองค์เข้ามาศึกษามาปฏิบัติธรรม อย่าไปคิดเป็นอย่างอื่นให้ตั้งอกตั้งใจภาวนาเข้ามาคราวนี้เราเข้ามาเพื่ออะไรเรามาบวชสามเดือนบางองค์เอาขอบวชตลอดไปไม่มีกำหนดก็มีหลายองค์ที่เข้ามาบวชใหม่แต่บวชเก่าไม่ต้องว่าละตั้งอกตั้งใจอยู่แล้วถ้าปวดบวดเข้าใหม่กันนะแต่ถึงยังไงก็ขอให้พวกเราทุกๆท่าน ตั้งใจภาวนาตั้งใจประพฤติปฏิบัติตั้งจิตให้แน่วแน่เพราะเราเข้ามาคราวนี้เรามาบวชเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้เพื่อปฏิบัติเพื่อหวังบุญกุศลส่งเสริมต่อเติมบุญบา ร, รมีสําหรับพวกเราแต่ละท่านแต่ละองค์ที่เข้ามาบวชทำตามสติปัญญาความสามารถของแต่ละองค์ก็เห็นแล้วก็ หลวงพ่อเห็นแล้วก็ที่ผ่านๆมาก็สบายใจไม่มีอะไรต่างองค์ก็ต่างเป็นผู้มุ่งมั่นตั้งใจทากิจวัตรข้อวัดไม่มีเรื่องอะไรที่ทำให้หนักใจแต่ทั้งยังไงก็ตามขอขอให้พกผ่านูกพาหลานทุกองค์ดำหลงสงศาสนาให้ถามตนเองวมาหยุดเสมอว่าข้าไปเจ้าบวชมาเพื่ออะไรทำไม บวชมาเพื่อเป็นการสั่งสมบุญกุศลส่วนหนึ่งส่วนตัวและก็พร้อมกันทดแทนพระคุณบิดามารดาที่เลี้ยงดูเรามาเราก็ควรจะทดแทนพระคุณของท่านเพื่อความสบายใจของตระกูลของพ่อของแม่พวกญาติญาติทั้งหลายเมื่อเราครบบวชที่จะต้องบวชเราก็บวชแล้วก็วกอุทิศส่วนกุศลให้ท่านเหล่านั้นเขาก็ อภาคภูมิใจไม่ใช่น้อยเหมือนกันไปณนะัดสถานที่ใดเพรว่าลูกของเราได้บวชอยู่ที่วัดป่านาคําน้อยอไปที่ไหนก็พูดให้ใครต่อใครฟังนี่แหละอันนี้ก็คือพ่อแม่พี่น้องก็สบายอกสบายใจที่อกดีใจในระดับหนึ่งเหมือนกันผมคิดว่าอย่างนั้นนะอแต่คิดว่าไม่ผิดอีกต่างหากนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเขาบวช พวกเราเขาบวชมาแล้วก็ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตอกตั้งใจภาวนาท่นี่แต่เมื่อคราวที่แล้วผมสอนเรื่องวิธีการเบื้องต้น เ, เรื่องทําไหวพระสวดมนต์ยังไงเดินยองกรบยังไงนั่งภาวนายังไงทําสมถะยังไงทําจิตใจให้สงบอย่างไรแต่วันนี้ผมจะต่อเติมเรื่องสมาธิเชื่อมต่อวิปัชน า, นะาสมถิ ก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวว่าทำสมาธิคือทำจิตใจให้สงบกาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทพุทโทพุทธโทจิตใจจนเข้าถึงความสงบพอสมควรถึงจะไม่สงบกเ็เถอะเราจะนำมาพิจารณาก่อนก็ได้การพิจารณาก่อนก็คือปัญญาอบรมสมาธิพอทำยังไงใจมันไม่สงบ เอาใจไระสุขไม่เป็นไรนำมาพิจารณาแยกร่างกายของเราถ้าเราไปเห็นรูปอสุภะปฏิกูลที่ไหนรูปโครงกระดูกที่ไหนเราให้กำหนดมาสู่ตัวของเราที่เรานั่งอยู่ก็ดีเรายืนอยู่ก็ดีให้เห็นโครงกระดูกของตนเองเมื่อเห็นโครงกระดูกตนเองแล้วก่อนใกล้เรียงดูสิว่าตั้งแต่กรโลกศีรษะจนถึงฝ่าเท้า ขยับไปขยับมาขยับขึ้นขยับลงขยับข ย, ขยับลงหลายๆเที่ยวจนมั่นใจจากนั้นเราเห็นกระดูกท่อนไหนในร่างกายของเราเราก็ให้หยุดจุดจ่ออยู่จุดนั้นจุดที่กระดูกตัวนั้นจะเห็นกระดูกเขา่าหัวเขานะ่าเนี่ยปมปมขอดขอดเนะี่ยเราก็ออกกาหนดจิตใจของเราความรู้สึกนึกคิดของเราเนะี่ยอยู่ที่หัวเขา่าไม่ให้ไปที่อื่น มันเป็นลักษณะยังไงหัวเขา่ากระดูกเข่าของเรานะ่ะอพอเราเห็นดังนั้นใจของเราไม่ไปที่อื่นใจจิตของเราอยู่ที่นี่นะ่ต่อไปใจของเราก็แน่เน่งสงบอเป็นหนึ่งได้นัจิตสงบมันจะย้อนเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจจะแน่งอันนี้คือจิตสงบอันนี้เราว่าปัญญาอบรมสมาธิตามแนวแถวองค์หลวงตาแนะนําสั่งสอนบอกกล่าว คือใช้แนวความคิดพิจารณากรานกรองเรื่องต่างๆจนถึงมาหุดย จ, จุดใดจุดหนึ่งจากนั้นก็ทำจิตใจใจของเราก็จะสงบแนงเป็นอัปปนาสมาธิได้อันนี้ว่าปัญญาอบรมสมาธิแต่สมาธิอบรมปัญญาคือทำจิตใจให้สงบพยายามพยายามทำใจให้สงบเมื่อจิตใจของเราสงบแล้ว เรานำใจที่สงบนั่นนะ่ะถอนออกมาเอ่ออย่างที่ผมเคยเล่าเคยพูดได้ฟังว่าใจของเราเนี่ยมันสงบแล้วมันจะออกเป็นสมาธิมันจะออกทางปัญญาเฉลยมันไม่ ไ, มได้เป็นไปไม่ได้แต่เป็นได้น้อยมากพวกคิด ป, ปัญญาพวกรู้ได้เร็วเท่านั้นเองจิตใจจึงจะกระโดดออกจากฐานของสมาธิทะยานไปสู่วิปัสสนาแต่โดยมาก มีแต่บังคับให้ออกบังคับให้จิตใจออกจากสมาธิเมื่อพักในอยู่ในสมาธิพอสมควรแล้วนะเออไม่ควรจะให้พักตลอดไปตลอดปอดเปิดเปิงจนไม่มีทางออกจนไม่ออกเเลยไม่ได้ต้องบังคับให้ออกจากสมาธิในเมื่อบังคับออกจากสมาธิแล้วนำมาพิจารณาทางด้านปัญญาพิจารณาได้หลายอย่างจนเมื่อวันเรากาหนดดูร่างกายของเราถึง มรณะนุจิติอย่างนี้นและเลือกถึงความตายของตอนเองก็ฆ่าพระเจ้าอีกสักวันหนึ่งข่าพระเจ้าต้องตายแน่ๆเหมือนกับคนอื่นเขาตายให้เห็นปู่ย่าตายายญาติมิตรสหายผู้ไรก็ตามที่ตายไปต่างเยอะแยะที่เราได้รู้ได้เห็นได้ยินเราก็ไม่แพ้เขาเหล่านั้นอีกสักวันหนึ่งเราก็จะต้องไปตามเขาเดินตามหลังเข้าไปไม่รู้ว่าช้าหรือเร็ว ต้องไปแน่แนมั่นใจแล้วว่าเราจะต้องเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นอันนี้คือและเลือกถึงมรณะคือความตายในตัวของเราอันนี้ก็เดินทางวิปัสสนาเหมือนกันคือให้เห็นตามความเป็นจริงในเมื่อเราเห็นร่างกายเสร็จแล้ววาดร่างกายเนี่ยตายแน่ถ้ามันตายแล้วมันเป็นยังไงถ้าหาว่าไม่มีการเผาการฝังเราตายอยู่ในปา่ารงพงไพ่ไม่มีใครเห็น หรือว่าตายมีการศึกสงครามหรือว่ามีอะไรตายรูปประการใดก็ตามมันตายไปแล้วเนี่ยเห็นไหมสัตว์ตายหมูหมากาไก่ตายสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กตายพอตายไปแล้วมีตะหนอนแต่ขนาดกบตายเราก็ยังไปเห็นมีตะหนอนกินกบโย้เยียอไปหมดสัตว์ไหนก็ตายก็เหมือนกันพอสัตว์ตายแล้วพวกแมลงวันพวกหนอนก็ต้องกิน สัตว์นั้นร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราตายไม่ได้ฝังไม่ได้เผาตายมันก็ต้องเหม็นพอเหม็นเจแล้วกันมแมลงทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดทั้งมแมลงตอมหึง่งอะไรตัวในร่างกายของเราเป็นอย่างนั้นไหมถ้าเมื่อจิตใจผ่านความสงบแล้วมันยอมรับว่ามันเป็นจริงอย่างนั้นจริงๆ ร, ร่างกายของมนุษย์ชาติไม่ว่าของท่านของเราเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นลักษณะนี้ ร่างกายของเราเนี่ยจะต้องนอนทับถมแผ่นดินจะต้องดินกระดูกก็ต้องเบยสลายลงไปสู่ดินน้ำก็สู่น้ำลมก็ ส, กสู่ลมไฟก็สู่ไฟร่างกายของเราเนี่ยไม่มีไม่ใช่ของจิรังถาวรเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเองหมยใจในเมื่อใจผ่านความสงบอย่างที่ว่านั่นนมันก็ยอมรับไม่เป็นอย่างอื่นเด็ดขาด ร่างกายของเราจากนั้นเมื่อเห็นร่างกายของเราแล้วเนีอยมันก็มองเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจใจที่ไปกำหนดกฎเกณฑ์ไปเห็นเขานะไปเห็นร่างกายไม่ว่าเห็นร่างกายเราเห็นร่างกายคนอื่นเห็นที่ร่างกายที่มันเป็นตามสภาพนั้นนะมันก็ย้อนกข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจใจของเรามันเป็นอย่างนั้นจริงไหม ใจของเราก็ยอมรับพอเห็นขนาดร่างกายของเราของคนอื่นยังไม่ใช่ของเราเราจะไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราได้ยังไงใช่ไหมใจเตอนะนี้มันย้อนเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจแล้วนะทีนี้ข้อเรื่องทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากใจทั้งหมดเนี่ยเราภาวนาต้องทําอย่างนี้นะพระลูกพระลานพระลูกหลานน้องนงทุกองค์ให้ทั้งอกทั้งใจดูดูด เนี่เดินวิปัจสนาเรื่องทั้งหลายทั้งปวงถึงถึงกิเลสราคากระก็ดีโทสะกดีโมหก็ดีมันอยู่ในใจทั้งหมดทำไมเมื่อเราเห็นร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเพศตรงข้ามจยาเห็นร่างกายผู้หญิงอย่างนีน้แต่เราเป็นผู้ชายนะถ้าเห็นร่างกายผู้ชายก็เห็นร่างกายจะเห็นผู้เป็นผู้หญิงก็เห็นร่างร่างกายผู้ชาย มันก็เกิดปฏิกิริยาคล้ายๆว่าความรักความชอบความใคร่ในการม ก, กิเลสมันเกิดขึ้นอันนี้คือธรรมชาติของสัตว์วโลกไม่ว่าเทวดาไม่ว่ามนุษย์ไม่ว่าสัตติราชานมันเป็นได้ทั้งหมดเรื่องการม ก, กิเลสตัวนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้กําหนดพิจารณาพิจารณาร่างกายของเรา การพิจารณาถึงอสุภะปฏิกูลน่ยก็คือตัดเรื่องกามะลาคะตัวนี้แหละเรื่องความกำหนัดยินดีความรักความใคร่เนี่ยนะหรือพิจารณาถึงความตายไนะอ้เมื่อร่างกายของเรามันเป็นอย่างนั้นแล้ว น, ะน่ารักใคร่ไหมชอบใจไหมไห ม, มันมีเถกหนอนเต็มย้อยเยียไปหมดในร่างกายเราในร่างกายของคนอื่นเขาอย่างนี้นมันน่าชอบใจไหมพอใจไหมน่ารักไหมกําหนดดูนะอันนี้ก็คือ ในเมื่อเราพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงอย่างนั้นแล้วนะใจของเราความกำนัดยินดีแล้วความใคร่นะมันจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเพราะอะไรเพราะเราเห็นเป็นอสุภะปฏิกูลนี่แหละอย่างหลวงปู่จวนท่านอยู่ที่ภูสิงห์ู ว, ว, วัวผูทอกสมัยนั้นมีช้างช้างมีเยอะนะในเดือนนี้ก็ยังมีอยู่นะบางทีช้างมันตายถูกอันในพรานฆ่าแล้วอะไรก็ไม่ทราบนะ พอมันตายกระดูกมันก็เกลื่อนอยู่ในภูเขานะกระดูกช้างนะองหลวงปู่จวนท่านทําไมภาวนามันทําไมไม่เห็นกระดูกเนะ่ยมันกําหนดกระดูกท่านมันก็ไม่เห็นเนะี่วงเอากระดูกแขวนคอเสะอท่านก็เอากระดูกช้างนะมาแขวนคอท่านนะเดินอยงกลม <laughs> บ, บางคนเห็นก็จะว่าเหมือนกับเป็นบ้าลักษณะนะั้นแต่ท่านว่าท่านไม่ได้เป็น ท่านบอกว่นมันทำไมไม่เห็นไม่ทำไมไม่เห็นกระดูกทั้งที่กระดูกอยู่กับตัวเองแท้ๆเนะ่ยมันเต็มไปหมดอยู่ในโครงสร้างของเรากระดูกทั้งนั้นแต่กำหนดอะไรมันทำไมไม่เห็นเอากระดูกข้างนอกมาแขวนคอเลยสนะิท่านก็เอากดูกกระดูกช้างเนะ่ยพอที่มันพอจะแขวนได้ก็มัดใส่คอเหมือนกับแขวนให้เป็นทั้งมันเห็นเนะีนะ่ย อันนี้ก็เป็นอุบายอันหนึ่งเหมือนกันคือให้เห็นกระดูกกระดูกช้างกระดูกวัวกระดูกควายกระดูกคนเป็นกระดูกเหมือนกันแต่มันกระดูกใหญ่กระดูกเล็กตามสันฐานรูปร่างสันฐานของแต่ละสัตว์แต่ละบุคคลเท่านั้นเองมันกระดูกเหมือนกันเนี่ยให้เห็นกระดูกในเมื่อเห็นกระดูกความรักความใคร่ความสวยความงามมันจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรกิเลสตัวนี้รู้สึกว่าเป็น ธรรมะจุดนี้ก็คือเป็นเครื่องทําลายทําร้ายทําลายสังหารเรื่องการ ม, มากิเลสโดยตรงเรื่องพิจานาสุภปฏิกูลเพราอใจของปุถุชนทั้งหลายมันก็มีนี่แหละความรักความใคร่ถ้าหากว่าตัดกิเลสตัวนี้ได้ก็เป็นพระเป็นพระอนาคามีตัดกิเลสราคากะกัโทษสษได้ไม่ลงมาเหยียบแผ่นดิน เพเป็นพระอนาคามีแล้วตัดกิเลสราคาโธสะแต่ตามไม่จริงโธสะมันเป็นสิ่งปกป้องตัวราคาเนี่ยเป็นเป็นที่คขา้าว่าเป็นที่เป็นที่พึงปรารถนาคือความราคาคือความอยากตัวเนี่ยความกำนัดงดีความอยากเรื่องการามมาราคาแต่โธสะเนี่คล้ายๆปกป้องปกป้อง ให้ข้าวห่วแหนเป็นผู้ปกป้องเรื่องการว่าราคะแต่พอเสร็จแล้วถอนพวดขึ้นมาบรรลัยทั้งราคะบรรลัยทั้งโทสะออกจากกิจใจนั่นแหละใจดวงนั้นมีแต่โมหะที่โมหะละเอียดละเอียดโมหะที่ในใจของเราอย่างละเอียดเมื่ในในใออ อ, ออกจากมนุษย์แล้วไปสู่ชั้น อาวิหาอัตปาทุกศรัตทุกศเสียกนิธาเรียกว่าพรมห้าชั้นพรมพระอนาคามีอยู่ในพรมห้าชั้นท่านก็ได้ไ ป, ไปขึ้นไปบำเพ็ญอยู่ตรงนั้นนะตรงที่บำเพ็ญอยู่ชั้นพรมจากนั้นก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ไม่ลงมาเหยียบแผ่นดินอีกคือพรมเลยพรมอนาคามีเนี่ย อ, อไม่ลงมาเหยียบแผ่นดินมีแต่เข้าสู่นิพพานนี่แหละ อันน้ก็คือผู้ที่ภาวนาพิจารณากําหนดดูอจุพะแต่แตาม่จริงองค์หลวงตาเนี่ยท่านภาวนาท่านบอกว่าพอภาวนาเข้าไปพอพิจารณาเข้าไปพอเห็นร่างกายจะดีมันเป็นอสุพะปฏิกูลปุ๊บบอกนั้นปอกนั้นเป็นไฟเผาปุ๊บเป็นเท่าเป็นฐานไปเลยอพอกําหนดที่ไร กำหนดอสุภาษ์ออกไปอีกเออมันทำลายปุ๊บเป็นอสุภาษเป็นทีเดียวหมดแต่มันไม่บอกเหตุผลว่าใจของเราอยู่ในระดับไหนพอกําหนดเท่าไรก็เห็นอย่างนั้นทุกครั้งจนไม่มีโอกาสที่จะพิจารณาว่าเป็นของไม่สวยงามอยูน่นะเป็นอสุภาปฏิกูลอย่างนั้นอย่างนี้ยืด้าไม่มีพอเห็นปุ๊บเป็นอสุภาษ์ปุ๊บไฟเผาพบเป็นเท่าฐานนะ อท่านบอกไม่รู้จะเอาอย่างไงแต่มันไม่ไม่บอกเหตุว่าเราจิตใจของเราเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นมันไม่มีอแต่พระท่านก็เลยใช้อุบายใหม่อืต่อ น, นี้ไปเราจะให้มันสวยงามแต่เนีคือตอก่อนพิจารณาอสุภะเป็นอสุภะให้สวยงามไม่สวยงามอสุภะอสุภะคือความไม่สวยงาม สุภาพเนะี่ยคือความสวยงามกําหนดให้สวยงามแต่เนี่ยไอ้ค่ะว่ารูคุณพ่อจิตใจคนเรามันมันจะมีความกําหนัดรักใครพอใจไหมในเมือม่อเมือม่อความสวยงามจากนั้นาก็กําหนดเป็นรูปร่างผู้หญิงตรงไหนที่จะว่าสวยงามต่อเติมให้สวยงามที่สุดในความรู้สึกนึกคิดของตนเอง อจะเจ้าห้าหน้าตาต้องลักษณะมากชอบอย่างนี้หน้าตาย่างนี้ผิวพรรณวันนะอย่างนี้รูปร่างกลางตัวเป็นอย่างนี้การแต่งกายเป็นอย่างนี้ค่ายๆว่าเป็นผู้หญิงที่สวยงามที่สดุดเข้ามา เ, าเคลียเคลียเข้ามาอยู่ใกลนะ้แต่ใหม่ๆมันก็จะทาลายเหมือนกันพอเห็นปุ๊บมันจะเป็นลักษณะแต่ไม่ให้มันเป็นตั้งท่าใหม่เอาใหม่ อให้เขาบอกมันจะเป็นไม่ให้มันเป็นให้มันสวยงามอยู่แนบข้างตัวเองท่านบอกว่าวันที่หนึ่งผ่านไปไม่มีอะไรใครพรามันจะสุภะษิตใจยังแน่นิ่งวันที่สองวันที่สามเท่านั้นแหละมันเย็บเย็บขึ้นมาในใจไม่ถึงกับ อ, อวัยวะส่วนอื่นหรือววอวัยวะเพศเอมันแสดงอากัปกิริยาไม่ใช่ มันแสดงที่ใจเท่านั้นเองแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยท่านวานะเออแต่ก่อนหน้านี้มันกล้าจริงๆสมเมื่อวานั่งภาวนาเข้าไปถึงจะเป็นหญิงสา ว, สาวเดือนเดินอยู่สองข้างทางเนี่ยสวยขนาดไหนก็เถอถ้าเราเดินผ่านตรงกลางเนี่ยใจของเราจะไม่กระเพิ่มเลยแม้แต่น้อยเดียวนะท่านท้าถึงขนาดนั้นเออเพราะมันมันใจมันกล้า แต่ถึงยังไงก็ตามในเมื่อมันกล้ายอย่างนั้นมันไม่บอกเหตุบอกผลว่าใจของเราอยู่ในระดับไหนเออมันเป็นยังไงมันพ้นอะไรอย่างมันอิ่มตัวอะไอย่างเกิดความเดือดเบื่อหนายอะไรอย่างคลายอะไอย่างหลุดพ้นอะไอย่างตัดกิเลสขาดอะไอย่างมันไม่บอกเนี่ยออนนี้มันไม่บอกมันคลุมเครืออยู่คล้ายๆกับเหมือนกับหินทับญ้าหรือว่ายานรัตนชาญของเองมันเพ่งชาญแรงเกินไป ความรู้ปัญญาของเราตัวนี้มันข่มตัวกิเลสจนตัวกิเลสตัวนั้นตัวกามาราคะเนี่ยมันขึ้นมาไม่ได้มันหมอบอยู่แต่มันพร้อมที่จะชฉยานถ้าเราเผลอเมื่อไหร่มันพร้อมที่จะชฉยานขึ้นมากระโดดงับคอของเราได้แต่มันเดี๋ยวนั้นมันหมอบอยู่แต่เราไม่รู้ว่ามันหมอบอยู่ไหน แต่เนี่ยท่านก็เอมเจือมาล่อมันอย่างที่ว่าเอาเยื่อมาล่อมันมาล่อให้มันสวยงามเออพอมาล่อเท่านั้นแหละวันที่สามธนวาเนเอยมันยุบเย็บขึ้นมาในจิตใจโอ้ยเนี่ยมันยังไม่จบไม่สิ้นนะแต่ตัวของเรานี่ยนะธานวาเนี่อมันจบมันยังไม่จบไม่สิ้นนะเนี่ยมันยังพยองขึ้นมาอีกเนี่ยมันยังชูคอขึ้นมาอีกอยู่เนี่ย เ, เพียงแต่มันหลบอยู่เฉยๆตัว เ, เองเน่ไม่ได้าจากนั้นท่านก็พิจารณาดูดูร่างกายของขอ ง, ของท่านอีกให้หนักให้หนักแน่นเข้าไปอีกทีนี้ดูให้ละเอียดทีท่วนเข้าไปอีกอาทางสุภาและอสุภาดูในใจของขอ ง, ของตัวเองพอดูคาคราวนี้ท่านว่าพอจิตใจเข้าสูความสงบ มันเดินทางวิปัสนาเท่งเห็นทั้งสุภาและอสุภาเออสุภากว่าดีอสุภากว่าดีมันกลืนเข้ามาในใจของท่านใจของเรานะไปยึดทั้งสุภาและอสุภะแต่ตามไม่จริงสุภากว่าดีอสุภากว่าดีมันไม่ใช่ว่าเป็นของที่จำเป็นสำคัญแต่ว่าใจของเราไปให้ความสำคัญเท่านั้นเองมันจึงสำคัญเพราะนั้นเวลาดูแล้วมันใจมันเข้ามาในใจใจใจใจ เข้ามาในตัวเพราะรื้นเข้ามาในใจเออพอเกินเข้ามาโอ้มันเรื่องทั้งหลายออกไปจากใจทั้งหมดมันปล่อยวางเลปล่อยวางเพราะดวงที่ใจเลยสเต็มพอมันเห็นทั้งสองเงืนทั้งสุภาและอสุภาทำไ อ, อพอวางลงไปเท่านั้นเลยเออข่าวนี้มั่นใจว่ากิเลสตัวนี้จะไม่เกิดหนาขึ้นมาอีกเออแต่ เราคิดว่าท่านก็ไม่ได้พูดในรายละเอียดในช่วงแรกๆช่วงนั้นนะแต่เราก็บอกว่าหลวงตาคงได้พระอนาคามีแนเ่เราก็เลยเดาๆเลยเแต่ท่านก็พูดลักษณะเยบๆลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันในเมื่อหลวงปู่มั่นท่านพูดให้ฟังท่านไปนหากราบหลวงปู่มั่นหลวงพุ่ารักษณะพูดอย่างนั้นแต่ท่านก็ไม่พูดชัดเจนตรงนี้ในองค์ หลงตาในช่วงนั้นนะ่ะแต่พอช่วงโค้งสุดท้ายเนะ่ยท่านยังพูดชัดเจนให้ฟังแต่ช่วงนั้นมีแต่ท่านพูดแนวทางให้กับพวกเราได้ฟังอย่างพวกเราท่านทั้งหลายนั่งฟังอยู่เดียวเนี่ย น, นะผมก็นั่งฟังอยู่นี่ย น, นะที่ท่านก็พูดเทศนาว่าการอย่างที่ผมพูดเนี่ย น, นะให้ฟังวิธีการประพฤติปฏิบัติของท่านาวิธีการพิจารณาร่างกายของท่านนี่แหละเออสรุปแล้วก็คือเราจะไปเชื่อมันทีเดียว ถ้าว่าจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบในระดับไหนก็ตาม เ, าเราจะไปให้คะแนนอย่าไปให้คะแนนตัวเองเร็วเกินไปเราต้องตรวจสอบหลายมุมหลายแง่หลาย ม, มุหยยย ม, มหลายด้านาตรวจตรวจตราให้ละเอียดถีท้วนที่สดุดอย่าไปให้คะแนนตัวเองอย่าไปตื่น เ, เวลาจิตใจเข้าสู่ความสงบ เ, เพียนแต่ว่ามันจิตใจว่างวาง ม่ยึดมั่นถือมั่นท่านเองก็ถือว่าโอ้ตัวเองเนี่ยบริสุทธิ์แล้วหมดแล้วจากกิเลสราคะโทสะโมหะอย่าไปพึ่งให้คะแนนเร็วอย่าให้คะแนนตัวเองเร็วคนจน จ, จ, จนเกินไปต้องตรวจตรา ด, ดูให้ละเอียดถีถ้วนที่สุทอท่านดูแล้วมันไม่กำเริบไม่กำเริบเพราะอะไรมันมีจุดไหมในที่มันรู้จุดนี้นะ่ะมันรู้จุดนี้มันมันมันรู้มันรู้แจ้ง เห็นจริงในจุดเน้นะมันบอกเหตุไหมถ้ามันบอกเหตุไม่มีปัญหาถ้ามันไม่บอกเหตุเราต้องสังเกตอตรวจตราดูให้ถีทวนนี่แหละอันที่ก็คือวิธีการที่องค์หลวงตาที่ท่านแนะนําบอกกล่าวให้กับพวกเราจากนั้นท่านกับภาวนาไปเรื่อยของท่านอีกเหมือนกันเท่นีอที่ท่านได้สำเร็จมรรคผลเกิดเนี่ย อย่างที่ท่านพูดให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังที่วัดดอยธรรมจีดีอันนี้ก็ท่านก็เห็นว่าภาวนาไปแล้วก็มีจดมีจดุมจดมีต่อมผู้รู้อยู่ที่ใดนั้นแหละคือตัวพบพบชาติชาติชลามรณะมันมีจดุดสรุปแล้วก็คือเข้ามาสู่ใจทั้งหมดเพระาะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะพระลูกพหลานทั้งหลายและการภาวนา เมื่อทําจิตใจให้สงบแล้วใจของเรามันคือตัวไหนที่มันหนักอยู่ที่นี่ก็คือเรื่องการมกิเลสเรื่องการมาราคะจุดนี้ให้มองดูให้ดีให้พิจารณาถึงมรณะคือความตายอสุภะคือความไม่สวยงามให้มากเร่งให้มากสําหรับพระหนุ่มพระน้อยทั้งหลายเพรากิเลสตอนนี้มกิเลสติดภพติดชาติขนาดเป็นไสเดือนมันก็ยังมีคู่ หัวผัวเมียตอกกระตรงตกตงตกระแตนแมลงวงมแมลงวันพวกหมดทั้งหลายจะหลอดถึงช้างมา้าวัวควายหมูหมาเป็ดไก่มนุษย์เทวดามันมีหมดกิเลสมันติดพบติดชาติมันไม่ใช่ของแก้ง่ายๆนะถ้าไม่พิจารณาให้ถี่ท้วนถี่เย็บจริงๆถ้าไม่มีธรรมในใจจริงๆถ้าว่าไม่มีปัญญาจริงๆ ปัญญาจุดนี้ปัญญาสัมมาทิฏฐิปัญญาอัตโนมัติปัญญาไม่มีช่องว่างปัญญาที่พิจารณาที่ท่วนแล้วเอาหลักธรรมคำสอนของพุทธะเข้าม า, เ, าเป็นอาวุธที่จะสังหารกิเลสภายในใจของเร า, เาใช้ท ร, รมาพุทธของพระพุทธเจ้าให้พิจารณาอย่างนี้กำหนดดูอย่างนี้ให้เห็นอย่างนี้ แล้วก็ปล่อยวางปล่อยวางอย่างนี้ไม่ยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้ไปยึดมั่นได้ยังไงเพราะยึดมั่นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอสุภะปฏิกูลเอ่อถ้าไปยึดอย่างนั้นก็โง่เต้ยใจไงเนี่ยใจของเราก็ต้องปล่อยวางอยู่ที่จุดนี้เพราะนั้นไงการภาวนาแหมแทนทะี่แล้ให้ตีทั้งนอกเออตีทั้งนอกย้อนมาหาทางในดูทางในออกไปตีทั้งนอก ย้อนกลับไปย้อนกลับมาสรุปแล้วก็คือกายยนครของเราเนี่ยนะเป็นหินลับปัญญาแล้วก็ย้อนกลับมาหาตัวผู้รู้ใจของเรานะเป็นหลงเท่านั้นนะใจกับกายกายกับใจใจกับกา ย, ใจ ก, กายใจกับใจทั้งสองอย่างเนี่ยนะรูปประธรรมกับนามธรรมนามธรรมรูปประธรรมรูปธรรมนามธรรมย้อนไปย้อนมาจนจุดนี่แหละจุดรู้แจ้งเห็นจริงถึงจุดหนึ่งขึ้นมาอมันจะปล่อยวาง ไม่ยึดมั่นถือมั่นใช่ไม่รู้จเอะยึดร่างกายว่าเป็นตัวตนได้อย่างไรเต็มไปด้วยอสุภะปฏิกูลทั้งหมดอีกสักวันนึงก็ตายลงในแผ่นดินแน่ๆอยู่แล้วใจนะี่แหละสรุปแล้วก็คือใจเอรู้แจง้งเห็นจริงปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ใจมรรคผลนิพพานพูดกี่ครั้งต่อกี่หนกบมันไม่ได้อยู่ที่ไหนนะอยู่ที่ใจเท่านั้นเอง รู้แจ้งเห็นจริงเหมือนกับความโง่ความฉลาดความไม่รู้หนังสือตะก่อนเราก็ไม่รู้พอรู้ขึ้นมาแล้วความโง่จะต้ันไปที่ไหนเออมันก็หายไปอยู่ในจุดใจของเราจุดสมองของเราที่จุดที่เรารู้นะั้นมันหายไปจุดนั้นที่มันรู้ตัวไม่รู้ก็หายไปอตัวที่มันรู้มันก็รู้ขึ้นมานี่ก็เหมือนกันนะในเมื่อเรารู้แจ้งเห็นจริงตัดกิเลสราคะโทสะโมหะ กิเลสมันไม่ได้อยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจของเรากิเลสราคะก็อยู่ตี่นี่โทสะก็อยู่ที่นี่โมหะก็อยู่ที่นี่โมหะก็คือตัวพื้นฐานถ้าไม่อถ้าไม่หลงซะก่อนมันก็ไม่โกรธถ้าไม่หลงซะก่อนมันก็ไม่โกรธถ้าไม่หลงซะก่อนมันก็ไม่รักรธถ้าไม่หลงซะก่อนราคะมันก็ไม่เกิดมันเกิดราคะขึ้นมาเพราะความหลงหลงเนี่ยแหละ นะตัวอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดกิเลสตาคะโทสะโมหะพราะนั้นเวลาเราพิจารณาเมื่อมันไม่หลงมันรู้เนยะพอมันรู้แล้วเนะี่ยความหลงทั้งหลายทั้งปวงมันก็หมดไปเพราะนขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะภาวนานะแต่เรื่องสมถะอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวอย่ามองข้ามสมถะคือทำจิตใจให้สงบอันนั้นนะเป็นพื้นฐานนะ แต่ให้มันเป็นสงบซะก่อนนิ่งซะก่อนยังพิจารณาอย่างนั้นใช่ไหมหลวงพ่อได้เอดีแต่ถ้ามันทําไม่ได้อย่างนั้นทํายังไงมันก็ไม่สงบถึงขนาดนั้นหลวงพอ่อเออนํามาพิจารณาเลยแอบ พ, พิจารณาด้วยให้มันพยายามสงบด้วยพิจารณาด้วยพยายามให้สงบด้วย เ, เพอเพอเราเอาเอ า, เอาทั้งสองทัง้งสองข้างทั้งสองด้านให้ทั้งพิจารณาด้วยทั้งพยายามทําให้สงบด้วย อีกสักวันหนึ่งมันอาจจะสงบก่อนพอสงบแล้วก็เอปินพื้นฐานนํามาพิจารณานํามาพิจารณาเสร็จแล้วก็เห็นเอรู้แจ้งเห็นจริงบางทีก็อาจจะบางคนมีอุปนิสัยอาจจะไม่ทําจิตใจให้ไม่สงบก็ได้จิตใจพอมันอยู่พอประมาณนํามาพิจารณาเลยเห็นอะไรจางทุกขังอนาาัตตาเห็นเกิดแก่เจ็บตายเห็นตําหูตํตาตาอยู่แล้วเออมันจะต้องรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมา ในจิตในใจมันจะหลงโลกหลงสงสารอยู่เหลอได้เงินคำทรัพสมบัติมามากได้มาเพื่ออะไรตายไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมมันพิจารณาไปหมดตั้งแต่เราเกิดมาแต่และคู่ละคนจนถึงจุดจบแล้วก็ย้อนกลับมาหา ต, ต้นเกิดอีกพอหาคนเกิดได้ก็เอาไปอีกอต่อไปเรามีครอบมีครัวมี ภรายามีโรคแนะนําสั่งสอนลูกฉเฉลียวฉลาดภรรยาเป็นคนดีมีเงินทำทรัพย์สมบัติผลในสุดตัวเองเป็นยังไงตายใช่ไหมตายได้อะไรไม่ได้อะไรอา้าวกระดูกกรกองยังไงถ้าทําบาปตัวเองก็ได้บาปถ้าทําบุญไปก็ได้บุญจุดจบของชีวิตอย่างนั้นใช่ไหมที่ดีๆนที่เราเห็นว่าดีๆอย่างนั้นใช่ไหมใจเนี่แหละใครเข้ามาดูย้อนหน้าย้อนหลังให้ดู ดูความชีวิตของเรามองดูชีวิตของคนอื่นด้วยก็มองมาดูหาตัวตัวพวกเราถ้าย้อนไปย้อนมาอย่างนั้นน่ะใจของเราอย่างน้อยมันก็ต้อง เ, อเกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่รู้จะทําไปเพื่ออะไรใจของเราเนี่ยแหละอันนี้คือภาคปฏิบัตินะ่ะอันนี้ไม่ใช่สอนให้ภาคที่อยู่ในโลกวัฏสงสารผู้จะอยู่ในโลกสังสารเขาก็คิดอีกแบบหนึ่ง อันนี้ผูดที่บอกกล่าวใ้พูดที่จะหนีจากโลกอยากจะพ้นจากโลกจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในโลกวัะสงสารต้องคิดอย่างนี้ต้องพิจารณาอย่างนี้ต้อหาวนทางอย่างนี้ถ้าว่าเราจะไปคิดแบบโลกหนีจากโลกไม่ได้แร้มันต้องวกวนเวียนอยู่ในโลกวัตะสงสารมันต้องไปอย่า ง, งานั้นแต่พูดที่จะหนีจากโลกนั้นต้องคิดอย่างธรรม ทำต้องคิดอย่างนี้ต้องทบทวนดูให้ดีอันไหนคือสาระอันไหนคือประโยชน์อันไหนที่เราจะได้มันได้อะไรสรุปผลสรุปแล้วมันได้อะไรถ้าว่าเราพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงแนละ้วมันปล่อยวางที่ใจมันได้ที่ใจหลุดพ้นที่ใจกิเลสราคะโทสะโมหะมันอยู่ที่ใจ ทมอันบริสุทธิ์หลุดพ้นอามาตะธรรมมันก็อยู่ที่ใจเพราะนั้นพูดไปยังไงมันก็หนีออกจากใจไม่หนีหนีออกจากใจไม่ออกนะไม่หลุดพ้นไม่ออกจากใจเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทท่านนะสมถะก็อย่างที่ว่าศีลสมาธิปัญญามันเป็นแนวทางเป็นหนทางมาถึงจุดที่ว่าวิปัสสนาที่หลวงพ่อวันนี้หลวงพ่อวก ถึงจะพูดวกวนเวียนขนาดไห น, นกน็เถอวกวนวกวนเวียนตามวิถีทางเดินของผู้รู้คือใจวิถีแนวความคิดของใจใจของเราปุถุชนมันคิดยังไงมันเอาอะไรมามาเป็นเครื่องอยู่ของกิเลสกิเลสมันมันพึ่งพาอาศัยอาศัยไข่ถ้าวาดใจของเราเนี่ย น, นะ ออถ้าใจมีกิเลสไยกิเลสมันฉลาดกว่าใจเถ้าว่าเรามีธรรมเข้ามานะนะเอาธรรมไล่กิเลสออกเมื่อธรรมเกิดมาเมื่อไหร่นะั่น เ, เรื่องจะเห็นว่ากิเลสโอ้มันโง่จริงๆมันฉลาดกว่าเรามากนะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆุกท่านนะตั้งใจประกอบิปฏิบัติอผู้ที่จะดํารงสงสารณาต้องพิจารณาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนะแต่ผู้ที่จะมาบวช เป็นั่วรข้งงั่วคข่าวกับเออเอาเรียนไว้ศึกษาเอาไว้ว่าหลักธรรมคำสอนของพบกพุทธเจ้าเนี่ท่านมีเจตนามีความมุ่งหมายอย่างไรสำหรับผู้ที่จะดำงรงสงศาสนาเพื่อหวังความพ้นทุกข์ในวัฏสงสารนะต่อเ น, นี้ไปนั่งสมาธินะสักช่วระยะนะค่อยแยกย้ายกัน